เรื่งหลานที่รักให้มันดยายอมพุทธบริษัทวันนี้ก็ขอมาพบ ก, กันในเรื่องดาของมโหสถตอนนี้เป็นตอนมนใหสดเลือกคู่ในตอนก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโหสดได้เดินทางไปล้วก็คิดในใจว่ายิงสาวคนนี้งามไม่เช่ลนน แล้วสนาะทุกอย่างคนนาดก็แสดงว่าเป็นคนมีสิริมงคลหากนานยังไม่มีสามีก็คู่ควรกัเราอย่างยิ่งเอสับคนมีปัญญากับคนมีปัญญามาพบกันฝ่ายนามอลเลยก็โหสดบันิตก็คิดแต่ในใจว่าชายคนนี้ท่าทางเปน็นสง่า ลักษณะทั่วไปแสดงว่าเป็นคนมีปัญญาและก็มีบุญถ้าหากเขายังไม่มีปัญญาก็คนที่เราจะแต่งงานกับเราอย่างยิ่งอ้าวคนต่างยากักษ์อยากจะแต่งงา น, นกนันก็ชนกันเป็นน้ำว่าใจกันน้ามันถ้าเจอข้ามานก็ลกกระเล่นรูปหลานที่รักแต่ว่าคู่วานี่เขามีการสอบกันนะ ไม่ใช่จะมาอยู่ๆก็มาแต่งงานกันเฉยคู่นี้เขาสนุกรู่หลายที่กางต่อไปถั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันหากว่าจะได้สนทนากันก็คงจะถูกใจกันเป็นแ น, น่แต่ว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนตอนนี้ทักงโลกตามธรรมดาก็ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายชายเรื่องก่อน มันไม่ให้สดยังคิดจะถามนางไปรู้แน่ว่านางมีสามีแล้วหรือยังแล้วคนจะถามด้วยการใช้ใบเนี่ยรู้หลานตังดีนะแต่นนี้การคุยด้วยกันวิธีใช้ใบเพื่อจะดูเชาและปัญญาของนาง ด, นด้วยเดูดีคนมีปัญญาเนี่ยเขาต้องการปัญญาเนะ่ การจริงสามีปัญญาถ้าใครโง่คันตะคนมันจะตึ้มใจตายเพรามีความเห็นไม่เท่ากันแล้วมาเห็นใก็ยือยู่ห่างๆทำมือออกไปหมายความว่าเจ้ามีเจ้าของแล้วหรืยอยังเขาทำยังไงนะกำมืออ๋อกรำมือออกไปแล้วกรำมือแล้วก็ยื่นออกไป เป็การตีความหมายว่าเจ้ามีสามีแล้วหรือยัง น, นี่กรรมมือในหมายเจอในกรรมมือของใครนะเขาจับเอาไว้แล้วหรือยังเขาตีความแม่งตีมาความหมายอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสมัยนี้ใครกรรมมือชวนดีไม่ดีชวนเคนที่จะชวนชบ ก, กันมันก็จะยุง่งสาหรับนามนรู้ความหมายยังเดยแบมืออกไป หมายความว่าเวลานี้ยังว่างอยู่เจ้าค่ะหัวใจยังว่างเม่ให้ศพทราบความมันแล้วเดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้หน่อยนก็ถามว่าขอโทษเธอชื่อว่าอะไรจ๊ะหน้ามันไม่บอกตรงๆกลับพูดเป็นปริศนาว่าสิ่งที่ดีฉันไม่มีน่าดี ในอนาคตและปัจจุบันนั่นแหละเป็นชื่อเขานิชันโยค่ะลูกหลานที่รักมีไหมสิ่งที่ไม่มีในอนดีตในอนาคตและปัจจุบันเป็นชื่อของเขาถ้าลูกหลานโดนกขาแบบนี้มังงนงที่วเลยจ้ะอย่าให้สดคิดอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งก็ทราบว่าความไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีในโลก ฉะนั้นชื่อว่าเธอต้องชื่ออมอมรอมรนีน่เขาแปลว่าไม่ตายเหนไหมเออชื่อเพื่ออย่างนี้ขอย้อนนิดหน่งะสิ่งที่ไม่มีในอดีตคือที่รวมมาแล้วแล้วก็ในการต่อไ ป, อ ค, ปคือในคต์ศตปัจจุบันขึ้นชื่อว่าคนแสัตว์ที่เกิดมาในโลกที่ชื่อว่าไม่ตายนะไม่นีแต่ชื่อสิ่งนั้นเป็นชื่อของเธอหมายถึว่าเธอชื่อว่อมอมร นามอนยูนี่ตอบว่าถูกแล้วจ้ะทีนี้สวดเถามว่าเธอชื่อมอนใช่ไหมล่ะน้ามอนก็ตอบว่าถูกแล้วจ้ะอ๋อสวดทีนี้ถามว่าเธอจะนําเข้าต้มไปใครจ้ะน้ามอนตอบว่าดิฉันจะนําไปให้บิดปุบพระเทวเจ้าค่ะเอาละสินี่ให้เล่นเป็นยากันนะนามอนแปลฉันจะนําไปให้ บุรพะเทวาเทวดาคือบุรพะเทวดาจะเทวดาที่ไหน น, นะหลายชื่อลูกหลายคิดเห็นไหมจ้ะคิดเองก็ฟนะังนะส่หงแบโมโหสดกี่นี่ว่ามีนามนานาคนชี้โ ม, มโหสถมีความรู้สึกว่ะเป็นคนในวิญญานะ เขาไม่มีความรู้สึกในใจว่าขึ้นชื่อว่ามีดากนดีมารดาก็ดีชื่อว่าเป็นโมระพระเทวดาหมายความว่าเป็นผู้ประเสริฐในการก่อนคือเป็นผู้ให้ชีวิต้เทวดา น, นี้ก็เป็นประเสริฐโมระพระในเมื่อการก่อนเป็นผู้ให้ชีวิตก่อนใครที่ว่าท่านดีที่สุดแต่ความดีก็าอื่นในทั้งหมด ครูบาอาจารย์ที่มาสอนเราเป็นดีทีหลังจะเป็นดูถูกทำามไม่ดีนะเจ้าท่านดีแต่ว่าพ่อแม่และดีก่อนคนอื่นเขาเป็นผู้ให้ชีวิต่งการที่เธอนำข้าต้มไปให้บินดาก็รให้ข้าต้มไปนี้ก็คงจะมาให้บินดาของเธอหน้ามังก็้วตอบว่าถูกแล้วจ้ะโอ้เสด็จถามว่าบินดาของเธอกําลังทํางานอะไรอยู่จ๊ะ น้ามังก็ตอบว่าวิญญาของฉันกำลังทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองให้พ่อตอบสิดีแนมะ่ลูกหลานที่รักเทาเล่นปัญญากันไม่ดีไม่ ด, ด, ดีมายืนคนพ่อหิวข้าวตายเพราะแต่ว่าวิญญาของฉันกำลังทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองจ่ ถ้ามองจากมุคิด ว, ว่าอ ก, การทำสิ่งหนึ่งโดยส่วองก็จะเป็นการถ่ายนาถ่ายไปรอยเดียวดินแยกกันเป็นสงข้างบินดาของเธอกำลังถ่ายนาใช่ไหมจ๊ะนามน์ตอบว่าถูกตอบว่าถูกนะจ๊ะโอ้โหที่นี่ถามว่าบินดาของเธอถ่ายนาอยู่ที่ไหนจ๊ะ มีความจริงลูกหลานฟังแล้วก็จำไปนะเอาไว้เล่นสนุกสนุกเรื่อราวไว้คุยกันกับเพื่อนสนุกสนุกหน้ามอนิริต่บ ว, ว่าชนท่านหลายไปที่ใดครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกมีดาของฉันไปไถ น, หนาที่นันจะเอาละสิกันมาใหส้สดนีนี่คิดว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว นี่ได้กล่าวว่าในที่ที่คณไปข้างเดียวแล้วไม่กลับมาก็คือประชาทพรงั้นดินนาของเธอคนไปไถนากใกล้ประชาใช่ไหมจะ๊ะไอประชาและลูกหลานที่รักคนไปข้างเดียวแล้วไม่กลับก็คือคนตายคนที่ยังไม่ตายไม่มีใครเขา อ, อยากอยู่ในปรชาช้าตอนนี้คนที่ตายแล้วเข้าไปประชามันก็ไม่กลับมาบ้านอีเข้าฝังแล้วก็เผาที่นั่น นี่ท่านนายหสดที่นี่ถามว่ามีนาของเธอนะ่ะไทนาอยู่กใกล้ๆประชาใช่ไ้ยจ๊ะนางสาวมอนก็ตอบว่าใช่ถูกแล้วจ้ะท่านนายหอยสดจึงกล่าวาว่าวันนี้เธอจะกลับหรือไม่กลับดูฟังคณะล่กหลานที่รักตอนนี้สนุกมากเขาพูดกันดีน้ามอนเนี่ยก็่ว่าถ้าฉัน ถ้ามาดิฉันจะไม่กลับถ้าไม่มาดิฉันจะกลับคิดออกว่าลูกหลานที่รักเขาแต่ว่าถ้ามาดิฉันยังไม่กลับถ้าไม่มาดิฉันจะกลับนี่หมายความเป็นยังไงนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกก็ฟังต่อไปถ้ามอสสด ที่นกล่าวว่าวินดาของเธอถ้าจะไถานาใกล้แม่น้านะมั้งเมื่อน้ามาหลากมาเธอก็ยังไม่กลับถ้าเมื่อน้าไม่หลากมาเธอก็จะกลับอันนี้ถูกไหมจ๊ะน้ามองก็กลับแล้วก็ตอบว่าถูกท่านจ๊ะคำว่าน้าหลากก็ไมาน้ามาแรง น้ำมันจะเข้านามันจะท่วมต้นข้าวก็ต้องช่วยบิดามัรดาปิดน้ําถ้าน้ํายังไม่หลักมาไปให้ข้าวเกษตรเขากลับได้เมื่อโตต่อกันพอสองคนนามอนินเชิญมโฮกัตวาเชิญรับประทานข้าวต้มสิจ๊ะอาแนา่เอ๊ะแจะไม่มีเครืงพ่อซะแล้วสิเรื่องความรักที่มันย่่งนะมันยุ่งจริงๆ ถ้ามือหวสดที่ว่าถ้าปฏิเสธก็จะเสียมัญนยาติยอรับว่าดีสิจ้กฉันกำลังหิวอยู่ที่เดียวน้ำมันเดียวหม้อข้าวต้มวางลงนลวก็ล้างชามซะ ก, ก่อนเอาตักข้าวต้มตักข้าวต้มใส่ในชามเอาน้างใส่ในภ้าชนะามาวางไว้ให้หมอโอหัสดล้างมือ แล้วคนเมื่อาข้าวต้มล้างมือซะก่อนแล้วคนมาข้ า, ตากกวาาตม้มไอเขาว่าคนคน่ะวรน่ะวนบนไปวนมาคนข้าตมแล้วก็ตักเข้าวต้มใส่ชามที่ล้างสะอาดแล้วจนเต็มมีน้ำมากแต่มีเนื้อข้าวต้มน้อ ย, เ, อยเขาเล่นเป็ญยากันนะไม่ได้กินให้เฉยนะเขาสอบปัญญากันน้ําเยอะแต่เนื้อข้าวต้มนิดเดียว โมโกสดรัประทานข้าวต้มจนอิ่มแล้วก็บนปากแล้วก็พูดกคำน่าว่าฉันอยากจะไปเรียนของเธอเธอจะบอกทางให้ฉันไปให้ฉันด้วยนะว่าบ้านเขาเธอในะอยู่ที่ไหนนางมอไม่บอกไปว่าไม่บอกว่าบ้านเขาเธอทั้งกันเลยกันว่านางมอไม่บอกทางไปบ้านเขาเธอกระโมโหสด เมื่อบอกแล้วจึงนำขาต้มข้าต้มไปส่งมไไีดายสำหรับวันสดเดินทางโม่งหน้าไปที่เรือนคนนางบอกเมื่อถึงแล้วจึงขึ้นไปบนเรือนมันดาคนงามนมอนเฝ้า บ, บ้านอยู่กับเพียงคนเดียวน่แล้วสิเห็นชายแปลามมากน ห, หน้ามาเช้ญให้นางแล้วก็ถามว่าแล้าทานอาหารแล้วหรอยังเธอ โอ้โหคนก็จบว่าฉันรบประทันข้าวต้มจากนางอมเมอป็นหน่อยหนึ่งแล้วเจ้าค่ะไอเจ้าค่านักนจาก้าเฉยๆมันได้คุนงามอมอนรู้ทีว่าชายคนนี้เขาจะมาต้องการลูกสาวเราไปแน่แต่นางก็ยังไม่พูดอะไรคงนั่งนิ่งอยู่ พอสุดเม่มองดูทั่วไปภายในเรื่องก็ทราบว่าจะคุณนี้เขยนใจนี่ถามว่ามีผ้าเก่าๆที่ต้องการจะเย็ดหรือจะชุนไหมฉันเล่นช่างชุนผ้าจ้ะมันนาขนามองก็แต่ว่าผ้าน่ะมีแต่ว่าขาจ้างไม่มีที่จ้ะที่บ้านนี้เป็นคนจน จะหาค่าจะหาค่าจ้างที่ไหนหาค่าจ้างไม่ได้จะกิน้วไรยังไม่ค่อยจะมีเลยเมื่โหัวสถจุนบ อ, อกว่าฉันไม่ต้องการค่าจ้างหลบแม่แต่ว่าฉันจะทําให้เฉยๆทําบบเปล่ามันดาคุณามอนนำผ้าเราเก่ามาให้มโหสถชุนมาหัว ส, ด, วสดทำได้คล่องแคลวมากแต่เดี๋ยวเดียวก็เสร็จด้วยความชํนาน การธรรมดาว่าผู้มีบุญแล้วก็มีปัญญาแกทําอะไรก็เสร็จง่ายโอรสสดได้บอกเกิดนามนว่าแม่จงประกาศให้คนนําผ้ามาจ้างฉันชวนที่นี่เธอจ้ะมันดาเขานามมอนได้บอกไปตังตามชาวบ้านให้นําผ้าเก่าๆมาให้มาจ้างชวนชาวบ้านเขาพากันนาผ้ามาจ้างขอสสดทน เย็บเป็นจำนวนมากมโหสดก็ทำให้รวดเร็วและปราณีแต่วันเดียวได้ค่าจ้างถึงพันกะหาบรรณาขึ้นหนึ่งพันตำลึงมันดาข้านามมอนหวัวอาหารให้ ม, มโหสดและประทานนา ม, มอญกลับจะส่งเข้าต้มแกะบนดาเอามัดฟืนทูนที่สะแล้วก็เกียดใบไ ม, ม้มาด้วย โซนิดากลับมาภายหลังนางพล ป, ปริบัติดิดามันดามันเกิดกล่าวด้วยความใจใส่เป็นอย่างดีนี่แต่คนดีเนี่ยก็มีความกตัญญูรู้คนดิดามันดาลูกหลานที่รักจึงจำตัวอย่างนางหมอนไว้สำหรับโอโหสดและสังเกตอาการกิริยาคนนางโยตสองสามวันก็รู้สึกพอใจมาก แต่เพื่อทดลองดูนายฝ่ายคนหนึ่งมโหสถใุภดดู่าอมนจ่าเธอช่วยเอาเข้าวสายครึ่งธนานเต้นข้าต้มทำขนมหัวข้าวสวยให้ฉันในเถิดจคกันนี่นี่เขาลงบรรยาในลูกหลานที่รักคิดออกไหมเข้าสายเพียงครึ่งธ น, นาน แล้ตาต้มข้าต้มด้วยแล้วก็โหัวข้าสวยเนื้อยแล้วก็ทําขนมด้วยเขาต้องการจะกินตามนั้นน้ำมันก็รับประาจายฉันจะทําให้ในวันนั้ก็เอาเข้ามาตำเลือกเอาเข้าสารที่เป็นตัวไม่หักมากนะักเอามาต้มเข้าต้มเอาข้าวกลองกลางนะที่หักบ้างไม่หักมาก ที่มีเม็ดหักบางส่วนเม่าหงเป็นข้าวสวยเอาปลายข้าวที่ละเอียดเนเรื่งงงงองเล็กๆแต่ขาสารยกเกี๊ยวปนมาทําขนมเสร็จแล้วก็ทํากับข้าวสําหรับอ่าเสร็จแล้วก็ทํากับข้าวสําหรับข้าวต้มแล้วก็กับข้าวสําหรับข้าวสวยยกข้าวต้มไปให้หมอสดก่อน เมื่อดรับประทยเข้าต้มแล้วพอข้าต้มถึงปากจิ้มพุทธลงนามอนจิ้มคายข้าต้มแล้วอยู่พุทธวานี่อะไรกันี่เธ อ, อทำข้าวเสียเปล่าๆไม่รู้จกต้มข้าวเลยนี่นี่เรื่องกันแบบนี้ถ้ามีเวลานี้นากตีกันนา ม, มอญไม่ได้ถือ ไม่ได้ถกโกรธหรือว่าเขาพูดมาให้สดเขาพูดแบบนั้นนางมนก็ไม่กโกรธเขาเป็นการเล่นปัญญากันทีนี่พูดว่าถ้าเขาต้มมาอร่อยก็ข อ, ขอรับทานขนมแล้วนางก็ยกขนมส่งให้มอสก็ทําท่านด้าเดิมว่าขนมอร่อยนางมรก็พว่าถ้าขนมาอร่อยก็มม ร, ยรับประทานเขาสวยเถิด แล้วก็ยกข้อสวยสสงให้ข้อนี้เนี่ยให้สทำเครื่องจัดขย้ำข้าวทั้งสามวงกันแล้ว เ, เลี้ยงทั่วตัวนามอนตั้งแต่ที่ษะไล่ให้นามมอญไปเย็นอยู่ที่ประตูนามอนก็ไม่โกรธพอไปเย็นที่ประตู ต, ตามคำสั่งของมอสดเริยา อ, อ น, น้อม มีความจริงเขาเล่นปัญญากันถ้าเวลานี้ก็น่าโกรธไม่ได้กเกลียแล้วดีไม่ดีถ้าเป็นรตีนักกีฬาพุทมวยปากคอแตกหมดนั่นี่นี่ดูปัญญาเขาในการหลุกหลานที่รักมโมโหสดเห็นนางไม่โกรธจึงเรียกกลับมามนางก็เดินกลับเข้ามาเข้ามาหาโมโหสถแล้วก็นั่งใกล้ๆนี่อิทารกที่ว่า ง, ง่าย ถ้าลูกก็เป็นวันเด็กแล้วสัตว์ไม่จะออกจากบ้านของตนได้มีผ้าซาดกไปด้วยไอ้ผ้าซาดกเนเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมันมีสีแดงมีเศรษฐีกระสั์ถึงใช้มีผ้าซ า, าดกเปนกก็นหนงผืนก็เป็ะมาณหนึ่งพันกหาบณนะมันจุวะนิถูจึงได้นําผ้าซาดกออกมาจากถุงมอบให้คนามอญแล้วพูดว่า เธอจงไปอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าผืนนี้ขึ้นมานางมนก็ทำตามคำสั่งแล้วใหส่งกนันทร์ซับสองพันกะหาวนะคือที่เอามาจากบ้านหนึ่งพันและได้จากการจ้างคุนผ้าอีกหนึ่งพันให้แกบิดามรรดาของนามน แล้วเราพูขอนามอนกับบินดามันดาขนางเมื่อบินดามารดาข้านาหมอนให้แล้ว ก, ก็จะในพ่านามอนลาพ่อตายย้ายกลับไปบ้านของตนเมื่อสดได้ให้ร่มกับรองเท้ากับนาหมอนแล้วเรพูดว่าตรงกลางกล้มแล้วก็สวมรองเท้าตอนนี้เขาเล่นปัญหาตลอดทางลูกหลานเขาใช้ปัญญากัน นาโมรับขอหนสองอย่างแล้วก็พากันเดินทางไปพอพอถึงคราวที่มีแดดจ้าเห็นไหมตอนนี้นะนาโมรับขอหนสองอย่างคือรองเทาง้ากอบร่มแล้วก็พากันเดินทางไปเวลาที่มีแสงแดดจัดนาโมก็หอร่มเสีย พอถึงตอนอะไรพอถึงที่นอนนาออมอก็ถอดรองเท้าทีไปมี่หมายความว่าถึงแดดจัดแทนที่กลาง ร, ร, ร่มกันแดดนางก็หอบลมถึงที่ที่ไม่มีน้ําเลือที่นอนนางก็ไม่สวมรองเท้าอารองเท้าทีไปพอถึงที่ร่นที่มีน้ำเออมีแม่น้ําลําน้ํามองไมเห็นไล้น้ำ ม, ม, มั น, ม น, มนท่วม พื่อที่มีน้ำนางก็สวมรองเท้าเดินไปเมื่อเธอเห็นอากายของนางดังนั้นจึงถามว่านี่ทำไมเธอทำแบบนั้นนะไอ้ที่ดึงแข็งๆนะไม่ใส่รองเท้าพอลงน้ำแล้วก็ใส่รองเท้านี่มันหมายความว่าอย่างไงเธอเนี่ยเหมือนชาวบ้านอย่างเมืองเลยนี่นาโมนก็ตอบว่าที่ฉันมองเห็นเครื่องกรีดขวางนะ่ะเห็นไหม เลาที่บนดอนอ่ะที่ฉันมองเห็นเคือกรีดขวางที่มีน้ําเป็นต้นบนที่ดอนไม่ว่าที่พื้นแห้งจึงไม่ได้เห็นเท้าในที่ดอนไม้ว่าในที่ที่มีน้ําที่ฉันไม่เห็นนี่จะมีสัตว์ร้ายหรือจะมีน้ําจะมีแก้วมีอะไรก็ได้ มันอาจจะตามเท้าลีกับเท้าฉันฉะนั้นเวลาที่ฉันลงน้ำที่นี่ใส่รงเท้าก็เป็การป้องกันสัตว์เรื่องกันป้องกันอะไรจะเกิดกับเท้าคนฉันเฮ้สุดเลยฟังก็พอใจคิดว่ายิงคนนี้ฉลาดมากแต่พเขา้าเขตรีบีร่มไม้นามองก็กลาง ร, ร่มเดิน ที่แจ้งแจ้งแดดร้อนไม่กางเราะมีร่มไม้เขกกางร่มเดินเมื่อให้ฝนทีนี่แล้วยังถามว่าคนทั้หลายเนี่ยเขากลางร่มขณะที่แจ้งมีแดดจ้ามีแดดจัดแต่ว่าทําไมเธอยังกลับมาหุบร่มในเวลาที่มีแดดแล้วก็มากล า, กลางในเวลาที่เข้าป่าทึบไม่มีแสงแดดมีต้นไม้ทั้งเยอะ หน้าไม่ว่าแต่ว่าในกลางแก่ดิฉันไม่หว่าจะมีอะไรตกลงพิศษกันได้นี่มันโล่งๆฉันก็เลยการลมส่วนในตาทึบอาจจะมีไม้แห้งหรือท่อนไม้ตกมัโดนพิศษกันได้ดิฉันในกลางเรื่มงกันหัวแตกเจ้าค่ะพนชสมดีนะแล้วจะมีความพอใจในความเฉลี่ยของนานยิ่งขึ้น่ เมื่อเจ้าสองเดินทางเดินตามกันมาตามทางเม่ให้สดเห็นพุทธามีผลดกต้นหนึ่งยึงเข้าไป น, นั่งพักแต่ต้นไม้ซานั้นนมองเห็นพุทธามีผลดกยิ่งพูวดว่าทพี่จ๋านอนอยากจะกินพุทธาจ้ะพี่เขาไปเก็บขึ้น้องที่ได้ไมิจ๊ะ โอ้คกเขาพูดว่าที่รักพี่เหนื่อยเหลือเกินเห็นเยอะขึ้นไม่นนไหวน้องก็เกะเองก็แล้วกันนะจ๊ะนามอ่อยิ่งได้ปีต้นผู้สาขึ้นไปเลือกเก็บผลผู้สาคื่เขาลองบัญญากันนะไ ม, ไม่ว่าอะไรทั้งหมดแล้วเขาทดสอบปัญญาเขาทันจริงๆเป็นคู่บุญบารมีโอ้คนไหนขึ้นไปขมบุญเขาก็พูดว่าที่รักจา๋าเก็บ มาพิสตาแบ่งให้พี่บ้างนจ๊ะนางมองขึ้น ว, ว่าจะทดลงใบพี่ขอมอสดจึงถามว่าพี่ต้องการผลร้นอนแล้วต้องการผลเย็นอยากจะกินพินสาลนร้อนหรืออยากกินพิสตาเย็นเย็นนะจ๊ะโอกพอรู้ความหมายที่นางถามใจก็ทําไป็นไม่รู้ เพื่อทดลองนานที่นี่แต่ว่าพี่ต้องการผลพุทรารร้อนๆจ้ะมันมีที่ไหนพุทราร้อนๆนาำบอลนี้เก็บผลพุทราโยนลงไปที่พื้นดินแล้วก็พูดว่าพี่พุทราร้อนๆเชิญรับทานเถิดเจ้าข้าเมื่อเสร็จจึงเก็บพุทราขึ้นมาที่ตกอยู่ที่ดินแล้วก็มาเป่าเพรามันมีฝุ่นเพื่อให้หมดฝุ่นแล้วก็รับทาน จับเคล็ดว่าผู้ซาร้อนตอนที่ต้องเป่าใช่ไหมให้ขาให้มันร้อนจะก่อนจะต้องเป่าให้มันเย็นให้ น, นีกเป่าฝนเข้ามันึกความร้อนเมื่อโทษเรามาอีกจะบอกว่าที่รักที่ต้องการผผู้ซายเย็นๆจังน้ามังก็เก็บผลผู้ซายโยนลไปบน ญ, ญา้านมองก็เก็บผลผู้ซายนั้นมารับประทานโดยไม่ต้องเป่า ลูกจับเคลบอบว่าผู้สาเย็นโดยมิท้องเป่ามิท้องเป่าอาดีตมิชนนาหมอนว่าเป็นยญิงที่มีความเฉลียาดเหลือเกินนี่วันแรีเกนางลงจากต้นผู้สานาบม้านลงมาจากต้นผู้สาเอาหม้อ น, น้ําไปตักน้ํามาให้มโหสถติมแล้วดังสองกเดินทางต่อไปจนถึงพระนครม้อยเศรษฐนาห ม, มอนอยู่ที่เรือน คุณท่อประตูได้แจ้งเรื่องราวให้แก่พัญญาคุณท่อประตูทราบว่าจะทดลองความเสื่อสัตย์เขานางแล้วก็ไปเร่งเขาต้นบอกสตีลีชายหนึ่มมันหลายคนแล้วก็แจ้งว่าเ้าพาหญิงสาวคนหนึ่งมาฝากไว้ที่บ้านคุณพ่อประตู ก็ื่ท่านคนหนึ่งลองไปเกี่ยวดูหากนางยินดีด้วยก็เอาซับเนี่ยพันกระหายณนะนี้ให้หนาบไปแล้วเมื่อเขาเกิดใกล้ซัย์แก่ชายหนุ่มที่ไปก่อนหนึ่งพันกระหายณนะนี่มีการลองอีกนะเวลานี้ก็ปังนดะ้เลยทีนะชายหนุ่มคนนี้หนึ่งไปถึงที่นามนอยู่แล้วพูกเกี่ยวระกอบกระทันท่าทางคุ้มกลิ้ง มอญย่าให้นางเออโอ ด, โด้วยแต่ว่านามันไม่เพียงกาธนาคิดว่าชายที่มานี้จะเปรียบเพียงเท่าละองเท้าขาาองมหสถสามีของเราก็าไม่ได้ชายผู้นั้นกลับบอกมาบอกกับมโหาสดถึงความหมดความหวังในตัวคนาแล้วเป็า น, น, นั้นว่าหมดทุงทางที่จะเกียเก่ยวเกี่ยวอะไรก็ไม่สำเร็จ ใการเด็ดเสี่ยนี้นะดิไม่จ่ายเงินพันเงนพันกระหั่นละพันตำหน่ง ก, กันนานถ้าจ่ายกันนา ง, ง, งก็เปลี่ยนตรงกับตอนนี้แหละอะไรบรรดาลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็น่าสนุกในตอนนี้เป็นตอนปัญญาหวังว่าบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็คงจะไม่เสียเวลาฟังเปล่าสําหรับเป็นวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลต้องมีแด่บรรดาท่านพุทธั้งสากานี้ขคาพนุนนโกหลานที่รักทุกคนสวัสดี